อย่างสกการะอย่างคาระวะอย่างการคารุกจนท่องจนใหญ่เป็นมงคลนั้นเลิศวันนี้ถ้าคเป็นก่อนเคยเป็นชิเดรสิท่านเนี่เคยไปจำพรรษาเลยไปอบรมพอปฏิบัติพอสมควรบทนี้ท่านจัดไปหรือมันลายพรรษาแล้ว ขึ้นมาพบพรรษานี้อาตมามะมีเรื่องอะไไม่สบายสุขภาพไม่แข็งแรงที่นั้นจึงหลบมาอยู่บกบุญภูเขานี้เพื่อเรีรับอากาศบริสุทธิ์ัดพรรษานี่ทีท น, น, นั้นยากโยง สารในจิตทั้งหลายไปเยี่ยมก็ไม่ได้แสดงสัาอย่างที่เพราะว่าเสียงมันกระจายลมมันกระจายใน น, นเป็นบุญเพราะาโยมท่านไหนมาเห็นตัวเห็นตนนั่งนิ่งนี่ดีแล้วพอไปมันจะมาเห็นแบบลมมันกจยหมดเสียงกรจาหมดมันหมดนี่ มันเป็นไปตามเหตุตามพระัยของสังขารมีพระภูมีพระพาแต่สอนว่าไหยะไวยันในความชิ้นไปเสื่อมไปแห่งสังขารเสื่อมไปรวยอย่างไร เ, เนาะเปรียบในความเงินเหมือนข้อนังแข็งแต่ก่อนมันเป็นน้ำเข้ามาทำให้มันเป็นก้อน แต่มันเคยมาอยู่สักกี่วันแบบมันก็จะเสื่อมแล้วก้อนมันแข็งใหญ่ๆเขาเทปไปวางต่างแก้งเพื่อดูความเสื่อมของก้อนมันแข็งของหัวน้ำช้างขาเนี่ยในนานมันแข็งมันเป็นพ่อมันก็เสื่อมไปทีละน้อยแตน้อยแตน้อยไม่กีนาทีกี่ชัโมก้อนมันแข็งคงหมดมันละลายเป็นน้ำไปนี่เป็นแยัไวยัง ความชิ้นไฟฟ้ามเสื่มไปแห่งสังารเราทั้งหลายเป็นมาสั่งเจนานแล้วสร้างโลก ม, มาสั้างแวันเกิดมาแล้วเราเก็บเอาสิ่งเหล่านี้มาด้วยไม่ใช่เราสิ่งมันไปที่ไหนหรอกเราเก็บเอาความแก่ความเกิดแล้วเก็บเอาความแก่แล้วก็เก็บเอาความเก็บความตายไปร้อมกันดังนั้น องสมเด็จพระจันมาสันพุทธเจ้ากตรตสากลายวยายยัวงความสิ้นไปเสื่อมไปทั้งหมดเรานั่งอยู่บนศาลานี่นะทั้งหมดทั้งพระทั้งเนทั้งอุา ส, อาสุอุาสิกานี้มีก้อเสร่อมทั้งนั้นนี่คือก้อนแข็งไม่ใช่ก้อนแข็งแต่ก้อนมันเป็นน้ำนันอืมมันเป็นก้อนแข็งแล้วมันก็เสื่อมไปอืมเห็นความเสือมมันนหะ ัวงาาที่มันเสื่อมจริงร่างกายของเราทุกสว่นสวนเสื่อมผมมันก็เสื่อมไปขนมันก็เสื่อมไปเล็บมันก็เสื่อมไปหนังมันก็เสื่อมไปอะไรทุกอย่างมันเสือ่อมเสื่อมไปตรงนั้นแหละญาติโยทุกคนเมื่อทางแรกคงจะไม่เป็นอย่างนี้หนึ่งนะคงจะมีตัวเลขตัวนี้ นี่มันโตขมานี่แล้มันจะเจริญขึ้นมาต่อไปนี้มันควรจะเสื่อมเสื่อมไปตามธรรมชาตินั้นเสื่อมไปเหมือนต้อนน้ำแข็งเสื่อมไปเสื่อมไปขมวดก้อนน้ำแข็งมันก็ตายจปิงนะเรานี่ผอมันกันทุกคนมีดินมีน้ำมีไฟมีลมเมื่อมีตัวตนประกอบกันอยู่ธาตุสดินน้ำไฟลมสร้างขึ้นในหมดทุน แต่เรื่องในวัฒนธรรมเราอยากจะเป็นคนเราปรีโอกภีใจในว่าเราเป็นคนอืมเป็นคนผู้ชายเป็นคนผู้หญิงอืมมติชื่อใส่นายนั่นนางนีน้ตามเรื่องเพื่อจะเรียกตามภาษาเองเร า, าเพื่อจะจำง่ายใช่การงานง่ายแต่ความเป็นจริงก็ไม่เอาไรเอาดินหนึ่งเอาน้าม อารมณ์นำมาถ่งกันข้าเป็นลูกสิ่งที่เป็นมาถ่วงแก็เป็นลูกสิ่งไม่เป็นมาถ่งมากกเป็นน้มเกี่ยวกับคนโยมอย่าเพิ่งมีใจนะดูไปดูมามันมีคนอกสนามยิงส่วนหนึ่งน้ำส่วนหนึ่งอรมส่วนหนึ่งไฟส่วนหนึ่งไอ้สิ่งที่มันเคลื่อนแข็ง ปวดเนื้ปดหนัระดูกทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นดินอาสารที่มันเหลวๆสารภาพร่างกายของเรื่อนึ่ดนะอาสารที่มันโผล่ๆอยู่ในร่างกายของเรานี่ยอย่งดินน้ไปอาสารที่มันพัดไปมาอยู่ด้วยลมในร่างกายของเราที่ รมพัดขึ้นบนบนพัดสงบนตาำมีเรียกว่าโรมทั้งสี่ประการนี้มาคุมกัน5้าเรียกว่าคนอี <c oughs> คน่คนคนก็เป็นผู้หญิงผู้ชาย ừ. มีเครื่องหมายตามสมมติของเราแต่อยู่วัดประโรงไมัเมีผู้หญิ ง, ผ, งผู้ชาย เป็นหน้าปูนสตอริมันเจ็กอิดคิริงกับเจ็กปูนคือซากศพที่เขาเอาเนื้อออกหมแล้วเอาหนังออกแล้วแล้วจะซากกระดูกโครงแขวนวัดไปดูก็ามาเห็น น, น, รรนี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายใครสถานแบบนี้เป็นผู้หญิงกันมองหน้ากั น, นกมันมีแต่โครงกระดูกเท่านั้นอืมออกไปแล้วหรือจะโครงกระดูกเนื้อหนังออกหมแล้วนั่นเป็นบทโครงกระดูก ไม่รู้พวกเราทั้งหลายก็ม่รู้ทุกๆคนไปวัดประพงศ์ไป ร, รวมก็ไปในสาราก็ไปดูโครงไปบางคนดูไม่ได้วิ่งออกจากสาระาตัวตัวกตัวเจ้าของอันนั้นเข้าใจว่าไม่ไคยเห็นตัวเราเองสักทีไม่เคยเห็นมไปกลัวกระดูก ไม่ไม่นึกถึงคุณค่าของกระดูกว่าเราเดินมาจากบ้านนั่งรถมาจากบ้านถ้าไม่มีกระดูกเป็นยังไนจะเดินไปมาไดนะ้ไหมพอไปลงรถที่วัดประโรงงแล้วพอไปดูโครงกระดูกตัววิ่งออกจากสลานี่ตัวโครงกระดูกนี่สมมติบางคนเราไม่เคยเห็นเกิดมาพร้อมกันไม่เคยเห็นกัน นอนบอกอันเดียวกันไม่เ okay, ห ch <out> ็นกันไม่ไปเห็นโครงกระดูกมีแสดงว่าเราลืมได้ไม่เห็นพอแก่แล้วห้าสิบปีหกสิบปีเจ็ดสิบปีแต่เราก็จะตามรัฐสองประโภคเห็นโครงกระดูกตัวนี่อะไรกันลุงแสดงว่าเราคุ้นเคยเลยไม่รู้จักตัวของเราเล หลับไปบ้านก็ยังนอนไปหลับอยู่สอวันสี่วันแต่ก็นอนกับโค้งกระดูกก็แล้วไม่ใช่อนอนที่อื่นแบบห่มผ้าหื้นเดียวกันอะไรอะไรด้วยกันนั่งบอด้โฟก์ข้าวด้วยกันแต่ว่าตัวตัวนี้แสดงว่าเราห่างเหนินจากตัวเรามากที่สุด น, น่าสงสารไปดูแตอย่างอื่นไปดูกันแต่ต้นไม้ไปดูแต่วัดถุอื่น ว่าอันนั้นโตอันนั้นสันมันเล็กอันนั้นมันสั้นอันนั้นมันยาวนี่ไปดูปแต่ของอื่นๆวัตถุนอกจากตัวพวกเราไม่เคยมองดูตัวของเราเลยนี่พัดพระดวงพูด่รานาสงสารมือเปลินไปนดังนั้นคนเราที่ขาดที่พึ่งขาดที่พึ่งจะไม่เคยเห็น อาตจมาไปเคยบวชหน้าทั้งหลายว่าเกษารูมานณขาตังตาพระโจนักลึกตาคงนึกว่าหัวเราะวะที่ท่านอาจารย์เอาอะไรมาสอนนีไหมเอาผมที่มันมีอยู่แล้วมาสอนไม่ต้งสอนแล้วผมจับเอาของที่รู้จักอย่างมาสอนใครจะรู้ไม่ใช่ใจสอนไปทาไมมีความหมายอะไร เมเกิดมาเราเรารู้ว่าผมมันมีอยู่แล้วนี่ไงคนที่คนที่มันมืดมากไม่ควรมาเป็นนี่พเราเห็นผมอัตมาบอกว่าคำที่ว่าเห็นผมน่ะคือเห็นตามความเป็นจริงเห็นขนแต่เห็นตามความเป็นจริงเห็นเล็บเห็นฟันเห็นนังก็เห็นตามความเป็นจริงที่เรียกว่าเห็นไม่จะเห็นอย่างผิวเผิน เห็นตามความเป็นจริงยังไงเราคงทำไม่หมดผลอยู่ในโลกอันนี้ถ้าเห็นตามความเป็นจริงผมขนได้ฟันหนังอืมอเป็นยังไงตามความเป็นจริงเป็นยังไงไหมอืมเป็นของสวยั้มเป็นของสะอาดไหเป็นของมีแก็มสารไหมหละไม่มีใครลอืมเป็นของเที่ยง แต่เราคอยใช้ว่ า, อาของของไม่สวยน่ะไปสำคัญว่ามันสวยของไม่จริงไปสำคัญว่ามันจริงอย่างเจสาโอลมานะพาตันตาตะโยคุคมคนนะคนเรามันก็ไปติดอยู่นี่พระพุทธเองค์สัญยกมาทั้งห้าประการนี่เป็นมูลกรรมฐาน สอนเนี่ยนะ้จากสารรมฐานทั้งห้าประการนี้มันเป็นอนิจจังมันเป็นตุกขังเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เท้าเราเกิดขึ้นมาก็หลงนนอันนี้มันเป็นของโศกโรคดูดีพอเราไม่อาบนั่งกันสักสองวันที่เขาคลายกันได้ไห ม, มเหม็น <laughs> มันเหม็นนักบุญแหละ เือเอาไปไล่ไปนั่งทำ ง, งานล่วกไปดิมเม็นเอาสิเม็ น, น้นถ้าไปบ้าจไปอาบน้ำเอาสบูาสบูออหายไปนิดนึ่เมัก็หอมสบูขึ้นมาไอตัวเหม็นตัวเห็นที่ยังเหือนนแะมันใสปรากรดขึ้นมาท่านแหละินสบูมันข่มไว้ข่มไว้เมอ่อวัดสบู่กับเม็นามคยนี่อันนี้เรามาไปเห็น เห็นลูกที่นั่งอยู่นี่ตันู้มันสวยมันงามมันแน่นมันหนามันจึงมันตามันไม่แก่มันไม่เกลียดันเลยตายลงเเิดินๆอยู่ในตะสนโลกนี้ฉะนั้นจึงไม่รู้จักพึ่งตัวเองอืมตัวที่พึ่งของเราคือตัวใจของเรานั่นดูกายของนั้นเห็นชัดเศร้าหลังนี้มันใหญ่ก็ไม่ใช่ที่พึ่งมันเป็นที่อาศัยศรัา ใจของเราเป็นติดพื้นจริงๆท่านนี้ทางความด้จริงติดพื้นเวลาหลังนี้มันเป็นที่อาศัยนกที่ราดมันต่มาอาศัยอยู่ตุกแกมันต่มาอาศัยอยู่ตีเหลนต่มาอาศัยอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างมันมาอาศัยอยู่ได้เราคยกว่าของเรามันไม่ใจของเราหรอกมันอยู่โดยตัน นหนูมันต้อมาอยู่สารพัดอย่าง น, นี่นี่เรียกว่าที่อาศัยจ้าคราเรยอะกว่านี้ไปเยอะกว่านี้ไปจากนี้เราต้องนึกว่าอันนี้เป็นที่เป็นที่พึ้นของเราอืมนี่เป็นที่พึ้นของเราอืมคนมีบ้านหลังเล็กเล็กเพรเป็นทุกข์เพราะบ้านเราเล็กเ ข, ข้าใจอย่างนั้น มีบ้านนั่งให้ยายพอเป็นทุกข์ก็ปวดไม่ไหวตอนเช้าประบูลตอนเย็นประบูลใครจับอะไรวางตอนนั้นก็ทิ้งคนนั้นมันไม่เคยช่วยเก็บเนี่ยคุณหญิงคุณยายเนี่ยมันจะเป็นบทปรสาทคนที่ฉลาดตัวทุกข์ฉะนั้นพระพุทธองค์ท่านเพียงสอนว่าหาที่พึ่งคือหาใจของเราใจของเราเป็นสิ่งที่สำคัญ โดยมากคนเราไม่เคยมองดูในสิ่งที่สาคัญไปมองดูที่อื่นที่ไม่ไม่สาคัญไปทำที่อื่นให้มันสาคัญเป็นคนว่าไอ้กวดบ้านก็มุ่งความสะอาดล้ า, างจานเขามุ่งความสะอาดทุกสิ่งทุกอย่างมุ่งความสะอาดใจใจจะขอมมันไปมุ่งอืมล้างจานล้างถ้วยให้มันสะอาด แก่ใจลรามันเน่าบางทีก็โกรธหน้าบึ้งบูดหน้าบึ้งอยู่นั่นแหละก็ไปมุ่งาจในจานมันสาใจของเราไม่สะอาดเท่าไรก็ไม่มองดูพี่เราขาดที่พึ่งของเราเอาแต่ที่อาศัยแต่งบ้านแต่งช่องแต่งอะทั้งนั้นอยากเห็นมันสวยงามแต่ใจขอม่เคยจะแต่งอลยทุกไม่เคยจมองดูมัน ใจนี่แหละเป็นสิ่งที่สําคัญฉะนั้นพระพุทธองค์ท่านจึงว่าให้หาที่พึ่งทางใจอือัตโนโจทยตนงังตนและเป็นที่พึ่งของตนคนอื่นใครจะเป็นที่พื้นละ่ะคําที่ว่าเป็นที่พึ่งที่แน่นอนก็คือใจของเราเองไม่ใช่ทิ่อพึ่งเชิงอืง่นเราพื้นได้แต่ไม่ใช่ของแน่นอนเราจะพึ่งเชิงอื่ได้เพราะเราซึ่งตัวของเรา ลราต้องมีที่พึ่งต่อจะพึ่งครูจะพึ่งอาจารย์จะพึ่งญาติพี่สหายทั้งหลายเป็นต้นจะพึ่งใดดีนั่นเพราะเราตั้งคันตัวเป็นที่พึ่งอของเราสะก่อนแทนไปขอพึ่งคนอื่นดังนั้นบันนี้ที่มากราบนักการท่างเทระหัตเจวันปะจิตทั้งหลายนี้ขอให้รับโอวาทนนี้ไปพิจรารณาเล่าทุกคนนี้ให้นึกเสมอว่า เราคือใครเราเกิดมาทำไมอืมขีดถามถามปัญหาฉลองอยู่เสมอว่าเราเกิดมาทำไมอืมขีดถามเสมอผมุ่งมั่นไม่รู้นะอืมแตยากได้ความสุขแต่ใจมันทุกข์ไม่หายรวยมันปวดทุกข์จนมันปวดทุกข์เป็นเด็กมันปวดทุกข์ เป็นคนโตมันกระทุกทุกมุทุกอย่างเพราะอะไรเพราะว่ามันข า, าดจัญญาขาดจัญญาเป็นคนจนก็ะทุกเพราะมันจนเป็นคนรวยก็ทุกเพราะมันรวยหลายขอมากมากภาษาคนเดียวในสมัยโบราณอาจามาโดยเป็นสมาเนเทศอะไรอะไรให้ยงฟัง ไูมาอาจาในเพศพูดถึงการร่ำรวยของภกชาติคนเราเกิดมาให้ร่ารวยให้มีทาสก็ร้อยหนึ่งผู้หญิงก็ร้อยหนึ่งผู้ชายก็ร้อยหนึ่งมีช้างก็ร้อยหนึ่งมีวัวก็รอยหนึ่งมีควายก็รอยหนึ่งมสิงว่ร้อยระรเท่านั้นแหละยากอยมฟังสบายใจ ให้โยมไปเลี้ยงวัวสักร้อยนึงเอาไหมเอาควายร้อยนึงเอาวัวร้อนึ่งเอาพาผู้หญิงร้นึงเอาผู้ชายร้อนึงให้โยมรักษาคนเดียมดนะวมันจะดีไหมนี่เราไม่ไม่คิดดูแต่ความอยากอะมีวัวสักร้อยนึงมีควายร้อยหนึงมีช้างร้อยหนึงมีม้าร้อยหนึ่งจรงล้ะร้นังฟังกับู้อิ่มใจเรื่อยๆไงมันสบายนะเนี่ย อาตอมาเห็นว่าได้ห้าสิบตัวพอแล้วเก้เจ้ฟันเชือกมันเท่านั้นจะเต็มทีซะแล้ว อ, อันนี้โยมไ่คิดคิดเลยได้ไ่คิดถึงมันสะยากมันไปคิดเกี่ยวกัมันมันบามสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่ในตัวเรานี่นะถ้าเราไม่มีปัญญานี่ยนำให้เราทุกข์นะถ้าเรามีปัญญาเนี่ยทาออกจากทุกข์ไปตาหูจมูกจ้นกายใจ ตานี่มันใจของดีมันกันนะถ้าเราใจไม่ดีนะไปมองดูคนบางคนไปเกลียดเขาอีกแล้วมันนอนเป็นทุกข์อยู่แล้วไปมองดูคนบางคนจวรักเขาอีกแค่แล้วรักก็เป็นทุกข์อีกแล้วมันไม่ได้เก็ดทุกเป็นทุกเกลียดก็เป็นทุกข์รักก็เป็นทุกข์มันอยากได้อยากได้ก็เป็นทุกข์ไม่อยากได้ก็เป็นทุกข์อยากทิ้มันใจที่มันไม่ชอบใจที่ท้องที่ไม่ชอบใจแล้วได้มามันก็เป็นทุกข์ อของชอบใจได้มาแล้วกลัวมันจะหายอีกเลยมันก็ไปทุกขทั้งนั้นเลยไม่รู้ว่าเราจะไปอยู่ยังไงบ้านนั่งใหญ่ๆขนาดนี้นะตัวนึกว่าจใจมันสบายขึ้นจะเก็บความสบายเก็บความดีทํำไมเนีใยคิดขึ้นตัวทีหลังถ้าเราคิดเลยดีมันก็ไปไม่ได้ทั้งนั้นแหละย่างนั่นญาติโยมทั้งหลายจึงมองดูตัวขเราพอเราเกิดมาทําไมเราเคยได้อะไรต้องใยมัน อาจจะมาเคยรวมคนแก่นักคนแก่อายุแปดสิบขึ้นไปแล้วับแต่อยู่ในรยย้ายาหนึ่งเอาคนแก่มารวมกันโยงเกิดมาทลายทลายลวมกันอาชีพทํำนาตามวันนอกของเราทำม า, า, นมาจนแต่นู่งเกิดมาสิบเจ็ดสิบแปดปีก็รีบแต่งงานไปรวมมันจะไม่รวยทํางานจเป็นเด็เดีแม่ให้มันมรวยทํามาทํามาจนแปดสิบปีก็มี ข้าสิบตี7ึ้ี่เจ็ดสิบตีขึมดมันน่าโยมมาฟังา ม, มาโยมจะเอาอะไรไปไห ม, มเกิดมามาทำอยู่นี่ยผลที่สุดจะไปจะได้อะไรไปไหมไใครจะทำใจเอาอะไรไมมันจะได้ไม่มีใครตอบใครเ อ, อะไรไปไนไม่รู้จักตอบด้แยว่ายังว่า จังหวาเนี่ยมีภาษาคนว่ากินบังวาเม้ามันพว่าบัว่ามันพิซาค่ันข้างจังหวานแนจังหวานแน่ไปกับรไฟที่อยู่กับเราอยู่อยู่จังหว่าตกลงในจังหวะจังหวะนั่งงาอยู่นั่นแหละนั่งอยู่ตรงนี้อยู่คาบไม่ไปที่ไหนแแก่มาก็ยิ่งยุ่งเดก็อยู่ไฟเป็นเซนนุ่ม ลูกเกิดมาต่อเห็นว่ามันตัวเล็กตัวเข้าใจว่าครั้งแรกมันอยู่คนเดียวเป็นโศดไม่สบายนะหาคู่มาครองเรือนมันจะสบายไหมก็หาคู่มาครองเรือนดี๋จะสบายนะเอาของสองอย่างมาด้วยกันมันก็กระทบกันอีกแล้วอยู่คนเดียวมันเงียบเกินไปมันไม่สบายเอาคนสองคนมาอยู่ใกล้กันมันกระทบกันอีกแล้วก็แกะก็แกะก็แกกถึงละเนี่ย ลูกเกิดมาครั้งแรกมันตัวในนี้พ่อแม่ก็ตั้งใจว่าเออมันโตมาเราจะสบายหรอกนี่ก็ยังมันไปเยอะเจอามคนสี่คนหคนนี่แต่เรืเ่องนี้ว่ามันโตมันจะสบายเมื่อมันโตมาแล้วมั น, นหนักไหมมันจะแบกท่อนไม้ไอ้ท่อนหนึ่งเล็กๆท่อนหนึ่งใหญ่ๆ ยีงท่อนเล็กแล้วจะแบกกระท้อนใหญ่เนื่องามันจะเบานีความคิดขนาดนี้ไม่รุ่นเรืองในไปแบกกระท่อนใหญ่ๆมันก็ยิงหนักกระท้อนมันเล็กไงลูกเราเมื่เมือมันโตขึ้นมาขนานหนึ่งเด็กๆมันมีตัวในทรายเราโยมมันกวนฐานกินข้าวกับขั้วเมื่อมันโตขึ้นมาเนี่ยมันทามารถมอเตอร์ไซค์มันทามารถเก่งอือเอาเลยไอความรักลูกจะปฏิเสธไม่ได้ต้องพยายามหา มันนิ่งก็ไม่เนียยิ่ทุกข์แม่เห็นอะไรดีๆอยากจะชื่อมากินกันก็ลาบากรัวมันจะหมดรัวมันจะสิ้นเกิดเป็นตะกุดตรงขอบตรงหิวอยนะู่นนเนี่ยถ้าไม่ให้มันก็เป็นลูกลักเหมบางทีพ่อกับแม่ทะเลาะ ก, กันอืมอย่าเพิ่งชื่อให้มันเลยรถเนี๋ยวมันยังไม่นีไอความรักลูกต้องไปกู้คนไปยืมคนต่อมาจะไม่ห ย, ยาง ต่อขึ้นมามันก็มีการศึกษาเราเรียนถ้าเอาการศึกษาเราเรียนเนี่ยมันถ้ามันเรียนจบนี่มันไปสบายครับไอเรียนมันจบไม่เป็นหรอกมึงจะจบอะไรมึงเรียนมึงเรียจบหรอกผู้เรียนสิ่งที่ว่ามันไม่จบมึงจะจบอะไรือเรียนมันไม่จบอะไรเราไม่มีเรียนจบเรอาทางพุทธศาสตร์ที่เรียนจบอืมศาสตร์ข้างนอกมันเรียนต่อ ต่อไปต่อไปในที่ให้ต่อเรียนในจบเอาไปมากัเลยวุ่นท่านนั้นเนี่ยอืบ้านเรียนท่างสีคนห้าคนตายอมพ่อกับแม่ทะเลาะกันไม่มีวันเล้นแล้วอย่างนั้นอย่างไอความทุกข์อันนี้มันเกิดมาภายหลังที่เรานึกมันไม่เห็นนึกว่ามันจะไม่เป็นอย่างนี้เมื่อมันมาถึ ง, งกกเคราแล้วเป็นเลยก็รอ้รู้จักว่ามันทุกข์ ทุกอย่างนั้นก็เราเราจะมองเห็นยากท birds, matter, rain, ุกในตัวของรายมนะเอาพูดตามภาษา้านนอกแล้วเนาะมอนมันแขนั่นเนาะปลกไม่ออกสายเนาะข้าวไปดิงวนี่โอ้ย่านหือยังเดีวเอามาทุบเนี่มเอือด้านก็ไปยิงสแนนองร้องนงวอื่นอางี้ทุแข็มันเข้า ไปไปชอบไปดูเจยวของไม่รู้เรื่องอีกอายุพอหกสิบปีมันโยกสูดสิมันโยกฟันมันโยก่ะสิเออเอาดิแค่ไหนกินข้าวหนังตามันไหลมันถูกสอกถูกเผาก็ทุกเวลาฟันมันมันเจ็บมันบวดมันทุกข์มันยากมันลาบากมีอาะมาผ่านมาแล้วถอนออหมดถอนอีกฟันปลอมกัน มันโยกมันมสบายสิบหกซี่ถอนที่เดียวเลยเก็บใจมันงอไม่กล้าจะถอนในสิบหกซี่ถอนเธอโยมถอนถอ น, อ น, อนมันเป็มตายจะมาจะรับรองอะไรถอนมนอ ก, นอกสิบหกซี่กองเลยเลยถอนที่เดียวแล้วเ น, นี่ยอนมันออกไอ้ที่มันเนแน่นอยู่หลายเรียเร่ยมเัน็นห้าเรี่ยมมันแน่นที่สุดอ่ะแต่ว่ามันเต็มทีนะโยมนะถอนออกแล้วไม่ได้ทานข้าวกันข้าวอยู่สองสาวันมีแต่เลือด ถูกอาจจะมากกส่านี้ดังเจก่อนเ น, ะนานนนะเอาดิบไปได้งูได้ควยเนาะเอาถานไปมาถูมันรักคนได้เกินนึ <c oughs> น่ว่ามันเป็นของดีพ้นที่สุดมันจะออกนี้จะเรากลับตายเก็บตปันมาที่ต่างหลายเดือนหลายปีใช่ไหมอืบางที่มันรวมทั้งทางล่างทางบนหมดท่านเลนยด้านอาาะชนาทพยายามถอนมันอันนี้คงจะเจอทุกคนเนาะ พวกที่ฟันยังไม่โยกเอาแปรงไปไปไ ป, ไปแปรงมันอยู่ให้มันสะอาดสวยงามอยู่นั่นแหละระวังนะระวังมันจะเล่นงานเราเมื่อสุดท้ายไอ้ชี้นี่มันยาวไอ้ชี้นี่มันสั้นมันสลับกันอย่างนี้ทุกหลายโยะอันนี้ทุกมากอันนี้บอกไปหรอกบางทีจะไปเจอเอ้า ทุกในความทุกในตัวของนั่นนี่คือตัวเราจะหาที่พึ่งอะไรมันไม่นีแต่มันช่วยเราแต่ว่าเรายังหนุ่มมันแก่มาแล้วบางคนระทีระทางมันช่วยกันทําสังขารมันเป็นไปตามเรื่องของมันเราจะร้องไห้มันก็อยู่อย่างนั้นะเราจะดีใจมันก็มันอยู่อย่างนั้นะเราจะเป็นอะไรมันก็อยู่อย่างนั้นน่ะเราจะเก็บจะปวดเราจะเป็นจะตายมันก็อยู่ของมันอย่างนั้นเพราะมันเป็นอย่างนั้นอันนี้มันหมดความรู้แล้วมันหมดวิชา จะเอาเอาหมอฟันมาดูของฟันแก้ไขถึงแก้ไขแล้วก็หยุดยังไงต่อไปไอหมอฟันเองก็เป็นเหมือกันกับเราอีกแหละไปไม่ไหวอีกแล้วทุกอย่างมันต้องพังไปเป็นฟันทั้งหมดอันนี้เป็นความจําเป็นที่เราจะต้องพิงจนนารณาและรีบเมื่อมีกําลังเลียวแรงเราพากันรีบจะทําบุญชุนทานจะทำอะไรตัวต่รีบพังกันอืมแต่ว่ะโดยมากคนเราจะไปมอบก็จะคนแก่ อยากเข้าวัดศึกษาธรรมะเออให้มันแก่ซะก่อนโยงผู้หญิงขอมมันการโยงผู้ชายของมันการให้แกซะก่อนเธอไม่รู้ว่าอะไรไอ้คนแก่มันมีกาลังดีไหมนองไปวิ่งแข่งกับคนหนุ่มๆสิทำไมจะไปหมอกไอค้คนแก่คนแก่แบกบไม่รู้จกตายเพราะแกกันมาตังห้าสี่ปีหกสิปีจนจะเข้าวัดแล้วหวูตึงซะแล้วเหวูตึงซะแล้วค ว, ว, วามจาก็ไม่มีซะแล้ว นั่งไปในโซนกันแหละยายไปวัดเจอโอ้ยหูฉันไม่ดีซะแล้วนะเห็นไหมแต่หูรีเอาไปฟังอะไรอยู่นั่นอะ่ะจังว่าจังว่ามันฆ่าใจบอกว่าอยู่หันแดงแต่กรณ์นั้นจนหูมันหงอกซะแล้วไปวัดมันก็ไปไม่ได้ อ, อืมไปนั่งไปนั่งฟังพระจันเทศไม่รู้จันเทศอะไรไม่รู้เรื่องมันหมดแล้วอืมแล้วจึงทำกันนังนั้ น, น, นวันนี้คงจะได้ประโยชน์กับบุคคลที่สนใจ เป็นบางอย่างบางสิ่งควรเก็บไว้ในใจของเราสิ่งทั้งหลายนี่เป็นโมโนโกรธของเราทั้งนั้นแหละอยู่กับเราทุกคนทุกคนเนี่ยนี่เนี่ย ท, ท, ทั้งพระทั้งแนรทั้งผู้หญิงผู้ชายพออยู่นิดมันจะรวมมาจะรว ม, มใหม่เราแบกบมุดหนึ่งขาเนี่ยเรามันมันเรามันวิ่งอะไรจะไหมก่อนในตอนอย่างฮาสมานี่ยโอ้ยจะเดินไปหนักเลยเนี่ยอสกุลร่ า, างกายเนี่ยจะต้องแบก ม, มันแจะผลันแบกเรา ว่าที่เราแบกมันลุกขึ้นโอ้เห็นคนแก่ๆใช่ไหมเป็นเด็กคนแก่ๆลุกขึ้นบะอ้ยนั่งลุกโอ้ยก็ยังไม่ยอมนะขนาดขนนาะนั่นลุกโวยลูกขึ้นโอยโวยทั้งนั้นน่ยไม่รู้อะไรทําเราไม่รู้เรื่องนี่เด้อโวยโยทั้งนั้นเนีะมันทุกข์ทุกขนาดนั้นเรายังไม่เห็นเห็นโทษมันเมื่อเราจะอนี้อากมันไม่ไม่ไม่ไม่รู้จักโวยโอ้ย ถามันเก็บปัญโกรดถึงมาเผยเนี่ยว่าสังขารมันเป็นไปตามเรื่องของมันแะเอ้ยมันเด่นนี่ยมันเป็นปังปนญโลงไฟปัญโลงขอปัญโลงหมอปัญโลงที่ป้าท่าหมอเอายามาใส่เนี่ก็ไม่ถูกผลที่สุดจะพังไปทางหมอเอียไม่ได้อยู่แล้วนี่คือสังขารมันเสื่อมมันเป็นไปตามสภาพของมันมันจะเป็นของมันอยู่อย่างนั้นอันนี้เป็นเรื่องของธรรมชาติมันแค่นั้นให้ญาติพี่น้องเราให้พากันเห็น ถ้าเห็นเนี่ยมันก็จะไม่เป็นลายอย่างงูอซาลพิษตัวไร้ลายมันเลื่อยไปอยู่เนี่ยถ้าเราเห็นมันก่อนเนี่ยก็นีนี่มันเลยาดการหลอกพรเราเห็นมันระวังมันอีกแต่ถ้าเราไม่เห็นมันเดินเดินไปไปเหยียบมันก่อนจะมุดตักเดินอืมชิ้นที่ว่าสังขารนี่มันเสื่อมได้เด็ดเี่ยมตัวไว้หาที่พึ่งวัดอะไรวัดนี่ออ่าเป็นอย่างนั้นที่นี่เข้ามาวัดก็มีความหมายถ้าเรารู้จัก ยังทอมวัดมีความาหมายหรอกมีแจวรถบรรทุกเ อ, อาลูกเอาหลานมาร้องในวัด เ, อ, เออเออนะ น, ะนก็เป็นอย่างเง้ไปเล่นกันไปเที่ยวเล่นกันแต่เป็นเด็กตัวเล่นทำหุ่น เ, เก่งๆมาเด็ดปฏิบัติให้นั่งจะพูดยังไงไ่ด้หรอกนะไม่ได้ไม่ได้จะมากราพาักทำวัดปวดหมโอ้ยปวดหลังปวดเอวม่พวกทมวัดเอไเอไปน ส, โนโน ส, สูบุรีกันอยู่โน้นรอบตสารานงบุตรีในที่กวดสูงนั้นในรวลาที่เรามาทําอะไรมาวัดเมื่อญ า, าติโยมเขาทํามาค้นจะมากราบมาไหว้พลอยมดีมาละหั่งตมมาตัมบุรตรโภตว่าจะขึ้นะดาไม่เห็นเลยไม่ชอบปฏิบัติแต่ชอบทาบุญชอบเอาเข้าวปลาอาหารมาเรียงสาระเสมือนแต่เรียงเอานั่นแหละลูกสิษย์พระลั ง, ลงเขาจะบอกว่าเออคนไทยที่ชอบทาบุญกันแต่ไม่ชอบปฏิบัติ อาจมาเอาใจฟังเราถูกฟังเขานะจะอยู่กับเขาที่ปฏิบัติมาพุกเอาบอกเขามานั่งสามสิบสี่สี่คนฉันฟังมานั่งนั่ง<ะ>เข้านั่งสมาธิเลยศีลอย่าฟึ่งไปว่ามันในพวกมันนอกมันมัรู้จักศีลจักสารแล้วมันมรู้จักอะไรมันรู้จักใจใ จ, ใจมันร้อนพิธีการของเราเดี๋ไปประกาศศาสนาเหมืองนอกไปพิธีทำให้จิตมันสงบสันนิก่อนมันจะ ค, ค่อยค่อยรู้เรื่องไป ไอ้พวกเรามันมีหาความสงบไม่ไดมันหาใจเรื่องกินกันอยู่บ้านแลยกินตัดมาวัดออกมาเลี้ยงกันไม่ได้เรื่องอะไรเลยมาล้างเทถ้วยเทจานอะไรกินกันลกแล้วไปววกันทั้หมดเราสังเกตเออคนไทยตัวดีชอบทําบุญแต่ไม่ชอบปฏิบัติ <c oughs> นั่งสมาธิไม่ได้ไม่ได้ถึงนาทีหรือกลัวจะเจ็บปวดคือมันไม่ชอบเองไม่เคยทําเรื่องก็ไปจ้าเนี่ยเป็นอย่างนั้นเคยเป็นอย่างนั้น อไม่รู้จักถามันทุกข์วะเนี้ยไม่รู้ว่าจะจะไปจะจะไปคล้องไททงข่ทารุกิดแล้วจะไปแก้ตรงไหนคืออยากแจ้ว่ามาเห็มันทุกข์เฉยๆกันนั่นแหละมาเห็มันทุกข์ไม่รู้จะทางแก้ไขมันเนี้ยแล้วก็อยู่ป้าอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปอยู่ไปจนถึงวันแก่วันแก่แล้ววันเจ็บเนี่ยมันก็ตายแล้วภาษาโบราณเขาบอกว่า เมื่อมันเมื่อมันเจ็บมันไข้มาชวนในโรงไม้ใจจักราดให้มาไปทักทไปไตของคนแก่กระกระซิบอ่ะ่าพุทโธพุทโธพุทโธมันจะอะไรพุทโธนี่ยนะอืมคนมันนอนในกองไฟมันจะพุทโธอะไรนีเริ่มแต่เมื่อยังเป็นหนุ่มอืมเป็นสาวอายุรุ่นรุ่นไมไม่เรียนพุทโธให้มันรู้นี่หายใจ ปิดบ้างไป่ปิดบ้างแม่แม่พุทโธคุทโธรัคารจะตายไปแล้วนั่นจะว่าอะไรอีกจะว่ามันเหนื่อยอย่าไปว่ามันเหนื่อยมันหลายเรื่องโยมนะเอาแค่นั้นได้มอนจะสบายดูโยมเขาชอบไม่งเงินชอบแต่ต้นกัปลายมันเปนอ่างต่างๆมันไปเอาแอืมชอบแต่อย่างเงินตลอดบริษัทบริวารพวกเราทั้งหลายพุกวันนี้ทั้งพระทั้งเนรทั้งญาติทั้งโยมของเหมือนกันนะชอบแต่ทําอย่างนั้น ไม่ดูจักแก้ไขภายในจิตทั้งเจ้าของไม่ดูจักที่พึ่งของเราจะสะโกรธง่ายแล้วก็อยากหลายเอืมทําไมคือคนไม่มีที่พึ่งทางใจเนี่ย อ, อือยู่ในคราว่าครอบครัวกันยี่สิบปีสามสิบปีสี่สิบปีก็กําลังแรงก่อนพ่อบ้านแม่บ้านจะ พ, พูดดูเรื่องกันหอกในห้าสิบปีขึ้นไปแต่พูดไปดูเรื่องกันเลยเด็วก็นั่งหันหลังให้กันเนาะแม่บ้านพูดไปพ่อบ้าน ฟังไมีได้พ่อว่านพูดไปแม่บ้านฟังไม่ได้เลยแยกกันหันหลังให้กันเองไอ้คนนั้นครอบดูชายคนนี้คนนี้พรอบดูหญิงคนนั้นโดยแตกกันเลยฮะอันนี้อาจารมาเล่าไปเราไม่เคยไม่เคยมีครอบตัวทําไมไม่มีครอบตั ว, กกวคืออ่านครอบตัวมันก็รู้แล้วว่าครอบคืออะไรครอบครอบมันก็คือองนี้เรานั่งคุยอยอะไรมาครอบลงาเนี่ย ถ้านั่งอย่างนี้มันจะเป็นยังไงเรานั่งไม่มีอะไรครอบเขาขอโทนได้ถ้าเรานั่งเขาอะไรมาครอบลงนี่เทวะครอบแล้วนี่มันจะเป็นยังไงครอบก็เป็นอย่างนั้นเน่ยเป็นอย่างนั้นมันมันมีวงจำตากแยกค่ะรอบผู้ชายก็มีวงจำตากผู้หญิงมีวงจำตากแล้วครอบนอ่าจะมาไปอ่านให้มาครอบตัวอุ้ยน่าแกร็บสับตายจับนินไปใช้จับนินเด่นครอบครอบสัตว์เทวะครอบนี่อื่าสับทุกี ไปไม่ได้มันมีวงจํากัดเนี่ยต่อไป ข, ขอบครัวอ้าวนี่ครัวสมัยเทศกาลปอควรเนี่ยทิ่มแทงแล้วนะโยอมผู้หญิงเคยเท้าครัวไหมเคยเคยโขกพริกไหมเคยขั้วพริ ก, รกแห้งไหมไอจามกันทั้งบ้า น, ม, ม, น, ม, นมันมันมันวุ่นนี่เข้าไปครัวไม่น่าอยู่หรอกสับโน้นสับนี่วุ่นนี่ครัว น, น, น, น, น, นี่เรียกว่าสับแบบขอบครัว อาจจะมาอาศัยสองศาสตร์นี้แหละถึงวอดไปจิกครอบกลัวหน้าตัวถังถังไว้เอาอะไรไปพรอกไว้จะไปที่ไหนก็ไม่ได้น้าํามารครัวไม้ตะไคร่ทิ่มแทง เ, งเดือดลูกบังเดือดเงินเดือดทองบังเดือดเงินแล้วพัดยางมันทิ่มแทงเนี่ย น, น่ะนะ่ะไม่รู้จักจะไปที่ไหนมันถูกไปแล้วลูกหญิงจะมีลูกชายจะมีจะไปขอของอะไรเลยวุ่น ได้นั่งเสียงกันอน่นแล้วจนตายห น, นไม่ต้องไปที่ไหนละเก็บใจขนาดได้ทำไมวาน้ำตามันไหลออกไปไหลอยู่นั่นแล้เออมันไม่หมดน้ำตาโยงครอบตัวถ้าไปมีครอบครัวเดินน้ำตามันหมดเป็นถ้ามีครอบครัวน้าตามันหมดยากมันหมดไปได้ถ้าโสดมาทุกวันดูที่น้ำตาโยงมีไหมไหลมาแล้มั น, นบีบ มันบีบน้ําออกมามันก็หงีบอ้อยตายแห้งๆมัตัวชี้ออกมาเป็นน้ําไหลีออกมาไม่รู้ว่ามาจากไหนนี่มันเจ็บใจมันแค้นมันสพักอย่างไม่รู้มันทุกได้รวมทุกจะมันบีบออกมาเป็นน้ําทุกอันนี้ให้โยมทางไหนทาใจเนี่ยถ้ายังไม่ผ่านมันจะผ่านอยู่ข้างหน้าบางคนอาจจะผ่านมาบ้างนั่นแหละในเวบไในน้อย บางคนก็เต็มทีมั น, นจะอยู่หรือจะไปนอจะอยู่หรือจะไปนอเ น, นี่ี่ยงพิงเคยมาหาหลวงพ่อหลวงพ่อแหาอีฉันไม่มีบุตรอีฉันจะไปซะแล้วเอออยู่น่นแหเรียนนี่มันให้มันจบซะก่อนเรียนอยู่งนั้นแหเรียนอยู่งนั้นเอออากจะไปล่ะอยากจะไปอยากจะอยู่นี่ขนาดนั้นมันก็ยังหนีไม่ได้อยู่วัดประพง์ วัดทำกตีเรียกไปท่างหลายเจ็ดตดแปดติดหลังบางทีพระเนรมาบรรจุกับเป็นเดือดไปสองสามหลังทางากตีเรายังเดือดไหมกบกตีมีบ้างสองสมหลังอเออเจ็บไปเถอะบางทีพ่อบ้านในบ้านเขาทะเลาะกันเอาไว้เขามนอนหน่อยนึงเ <c oughs> นี่มาแล้วนอนเด็กนอนยอมผู้หญิงก็มาแล้วสะพายของมาโยมมาเจนไหนมากรา ไอ้ฉันเบื่อโลกโอู้อย่ว่ามันเลยอตมาตัวเหลือเกินผู้ชายมาเอผมเบื่อแล้วนัเนี่ยอยู่นั่นมาอยู่สอนตาวันม้องสหายเบื่อไปแล้วเอ้ฉะนั้นโลก น, นี้อันตรมาไม่วุ่นวายเลยมันมากรู้แล้รู้ต้นรูปลายมันฉะนั้นจิงมาอยู่อย่างนี้จิงมาอยู่อย่างนี้อ้งมาก็เบื่อโกหกเกี่ยของยงผู้ชายมาก็าเบื่อ ก็หกจะพองไม่มีเบื่อรแอืมแล้วก็ไปนั่งกระตีเล็กเมื่มนนอได้นอแม่บ้านก็จะมาเรียกแล้วกลับน้อเมื่มนนอได้นอพ่อบ้านจะมาเรียกนอ อ, อะไรอย่างงมันเบื่อตายไงมันโกรดมาเลยมันก็เบื่อแล้วอืมเนี่ยเลิกประการอยู่แล้ว๋ ม, วมานั่งภาว น, นาห น, นั่งมาเอ้ยอยู่ในบ้านเนีะไรมันเขาผิดทั้งนั้น่ะแม่บ้านผิดทั้งนั้นพ่อบ้านผิดทั้งนั้น มานั่งภาวนาสามบ้านเออแม่บ้านเขาถูกเราผิดเนีเออ่ยพ่อบ้านเขาถูกเราผิดนีมันจะกลับมาเป็นยังไมันเปลี่ยนตัวเองพวกมันนันน่มันก็ไปเลยเท่านั้นแหละอันนี้ความจริงจริงนั่นนะอันนี้ความจริงของอาตมาโยมไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงกั ม, ม, มีเวลาที่มันจะสบายนิดนึงนะดูดีๆ ด, ดูดี <c oughs> ความเปจริงสิงในครอบครัวที่เราหาเข้าไปในบ้านน่ะเป็นของหน้าตัวทั้งนั้นไม่ใช่เป็นของน่งเป็นของหน้าตัวมีลูกชายคนหนึ่งลูกสาวคนหนึ่งเมื่อมันเด็กๆมาจะพูดต่ไมด้เมื่อมันโตขึ้นมาไดนึง่จะพูดแต่มันอายว่านเขาเ้ยจะคอยพูดขึ้นมันไดที่นี้มันลงไปทั้งนั้นกี่สักหเดือนหนึ่งขาพูดแ ต, ต่มันดีๆก็ไม่ได้พูดจะพูดแรงก็ไม่ได้อายสร อมไปนั่นไหนมันเจ็บมันปวดอยู่นั่นแล้มันเสียดมันแทงนะอยู่ไม่ร่างไงล่ะเราก็เป็นอย่างลูกหลานก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าตกอยู่ในครอบในครัวแล้วมันเป็นอย่างนั้นอา่านใจไหวันนี้ขอฝากให้เป็นการบ้านนะเอมเอาไปทําการบ้านฝากไว้ฝากนานๆเนี่ยนะนนานๆยกขึ้นมาแต่พิจนารณาอย่าทําไร่ทํา น, ทนานทารั่วทาสวนให้เอาคำของพ่อไปจี่นาวัานนี้เราเกิดมาทําไม เอาเยอ่อๆเมาทไมมีอะไรเอาไปไหถามเรื่อยๆนะถ้าใครถามนี่บ่อยมีปัญญาถ้าใครไม่ถามเจของอย่างนีงงนั้นนะเใจไหมเอาละวันนี้นะเพียรหลายนคนเหนื่อยละว่าแล้วก็อยู่ไกลนั่งหลายคนเหนื่อยทั้งารนั่งตายนี่ทั้งแก่ทั้งหนุ่มเอาไปพิจารณาดูนะอะไรมันควรจะพิจารณาอเอามันไป อะไรควรจะทิ้งก็เอานะวังครอบครัวสองศัพท์นะศับครอบอันหนึ่งสับครัวอันหงสศับท์นี่มันสับตายเท่าไรนะนาวังไม่ดีนะไม่ใช็บอย่าไปเพลินน่ะไม่ใช่ศับเพลินนะศัพท์ทุกนะครอบแคบใลสองศัพท์มันมีวงจำกัดอืมเมื่อครอบพุกเอาอะไรไปแทนไปทิ้งไปแทนสบายแล้วนึ่ดูยังงี้ก็ง่ายไม่ต้องมากไม่ต้องยากอ่ะนี่หลักภาษานี้เนี่ย ภาษามันอยู่นอกคัมภีมันอยู่นอกพระไติโิกแต่ว่ามันอยู่ในภระไติปิลกแะแต่คนไม่พบมันไปเปิดพระไตรปิกไม่เห็นไปเปิดคัมพีรไม่เห็นนี่สับของอจมาละจับสมถทานาอะคราะห์ครัวอืมครอะหมายถึงวงจำกัดครัวหมายถึงการต่อกรที่มัแพงเท่ทานี้อยู่ไปก่อน ดูไปอีกให้โยมจำไว้ทุกคนบางทีที่มาฟังธรรมวันนี้กลับไปถึงบ้านอาจจะพบเย็นนะเย็นมีกระาษเนอะเย็นเย็นอาจจะพบอะไรไม่นานไม่นานนะมันเกิดทุกวันถ้าเรามีสติอยู่มันมันจะลอยๆนึงนะนะบางทีเรามาฟังธรรมโยมันเงียบนั่นมันลอยอยู่รถเมื่อเราขึ้นรถก็ขึ้นรถเวลาไปเลเขาเลหื เส่็จถึงวันตัแสดงอาการกันมาขนาดแหน้็นหลวงพ่อถนอมจริงของท่านรืมั้ง น, นี่ตาไม่ดีไม่เห็นนะมันต้องดูโดยตาทิพตาเนืน้อมันก็จะเห็นนั้ก็จะเห็นเนี่ยาละปรารตั้งหุตังต้งแจงเอาไปจนะยดทีจะตินาะให้มันรู้จักโอมันรูวว้จักช้างมันมีงวงมันมีงามันมีขามันมีหางมันหลายอย่าง จะไปทำถือขามานันีว่าช่างมันก็ ไ, ได้จะไปทำเอาจะหางมันคคามานวช่างมันก็ได้ช่างคือของทั้งห ม, มันถึงเป็นช่างอ่านะอันนี้เอาให้เป็นการบ้านของโยมคุณหญิงคุณชายทุกคนเนี่ยเรียงเราอยู่เรากำลังประเชิญในสิ่งทั้งหลายแล้วนี่อยู่เหนถ้าใครตาดีถ้าเป๊ะมากนีก็ถิ่นบางทีกลับไปบ้านในเบี้ย น, นก็พบละพลไม่มากก็ต้อน้อยรกได้เอาเอาแล้ว วันนี้อาจารย์มหาวิทยายลัยได้มีโอกาสมาสัมภาษณ์เพื่อเป็นประโยชน์สอนนั ก, ก น, นักศึกษาในมหาวิทยายลัยของตน ต, อนตอนน่อไปนี้มหาวิทยายลัยนี้เป็นมหาวิทยายลัยของรัฐบาลมีนักศึกษาประมาณเจ็ดหมื่นคนที่จะเป็นศึกษาในมหาวิทยายลัยนี้อยู่วป่าปิบติบาาทางคุรลองว ที่อยู่ในเมืองไทยในภาคอีสานะจะถามหลวงพ่อเรื่องการปฏิบัติในวัดป่ามันต่างกันอย่างไรกับปฏิบัติธรรมดาเรื่อวัดธรรมด้าอขอให้อธิบายสักหน่อยเรื่องสี่เราุูการเดินตพรเดินวัดป่านี่ไม่ใช่ว่ามาตั้ง ปฏิบัติในปัจจุบันนี้ในครั้งพระพุทธเจ้าของเราท่านพอออกบวชแล้วท่านจะอยู่ป่าป่านี้เป็นที่สงบเป็นที่วิเวสกสงบสงัดด้วยรูปเสียงข้างพวงด้วยจะเป็นสถานที่สงควรบำเป็นสมณธรรมของพระศิษสุสามเณร การปฏิบัติในวัดป่านี้ก็เอาคําสอนของพระพุทธเจ้าอันเดียวกันกับพระที่อยู่วัดบ้านมีวินัยอันเดียวกันมีข้อปฏิบัติอันเดียวกันมีข้อวัดอันเดียวกันแต่แต่ตั้งอยู่ในวัดป่านั้นเป็นพระปฏิบัติตามจริงๆ ลงมือปฏิบัติไม่ใคยพูดเฉยๆทาให้เห็นเหตุผลในคำสอนของพระพุทธเจ้าในวัดปานี้ทางบ้านประมาณยี่สิบห้านเป็นอย่างน้อยมีพระภิกษุสามเณรแสตพุสกายวาจาสีธรงควัตรคือข้อปฏิบัติสังคับเพื่อวันเทวีดี ทั้งหลายเวลาพระโทสดาภะนี้ให้น้อยไปน้อยไปอืมจนกระทั่งสิงที่สุดฉะนั้นสถานที่วัดป่านี้เมื่อหากว่าเราไปอาศัยอยู่ในป่าก็เกิดความรู้สึกนึกคิดขึ้นหลายอย่างเมื่อจิตใจสนุกแล้วรวมแล้วว่าสถานที่เป็นวัดป่านั้นเป็นที่สงบระงับ อยากอารมณ์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นสถานที่สมควรที่จะบำเพ็ญให้ธรรมะให้ปรญุธรรมะเกิดขึ้นได้โรูไม่มิโนให้หลวงพออธิบายสักหน่อยเรื่องวัดสะโพงมันเป็นอย่างไรที่นั่นเราเรียกว่าวัดสะโพงกับชาวบ้านออ่่าวัดป่านี่ มีความเกี่ยวข้องกันเป็นอย่างมากกับชาวบ้านงัดป่านี้เป็นสถานที่อบรมประชาชนทั้งหลายให้เป็นผู้ละความเห็นจิตให้มีความเห็นชอบในการเกิดมาเป็นมนุษย์ว่าเราจะควรปฏิบัติอย่างไรทำอย่างไรถึงะดูการวันพระก็มารวมกันที่วัด ถวายอาหารยินสบัดและจะทำโภูโบสดศิลแนะนำคำสอนเทศให้ฟังให้เข้าใจในลักษณะพุทธศาสนานี่คืออะไรแต่ชายชนบางจำพวกก็เหมือนกันกันกบงชาวยุโรปนี้เพราะว่าไม่ได้ยินคำสอนของพระก็เป็นคนป่าเถื่อนอยู่อย่างนั้น รวมแล้วว่าที่นั้นมีประโยชน์แกชาวบ้านมากที่สุดเลยทีเดียวคนไม่รู้จักพุทธศาสนาก็าให้เป็นผู้รู้จักพุทธศาสนาดีขึ้นคนไม่รู้จักบุญไม่รู้จักบาปไม่รู้จักผิดไม่รู้จักโษแก่เข้ามาอบรมสร่างแรงท่านช่วยท่านต่ำไปหาชั้นสูงให้เกิดความสฉลเยวฉาด ไม่ทําความชั่วทางกายทางวาจาทางใจเป็นผู้ตั้งอยู่ในกายสุจริตวาจาสุจริตมโนสุจริตเป็นผู้ลดมานะทิฏฐิให้มีความโลภ ค, ความโกรธ ค, ความหลง น, น, น้อยน้อยลงจนได้เป็นพุทธศาสนิชชนรู้จักการ แบงบายมีเมตตาตระณาโมติตาผูาา้เบคกขาทราว่าทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อรับความเมําอนำสอนของพระวัดปาแล้วก็มีความยินดีมีความแบบพฤติปฏิบัติดีขึ้นตอนวันพระก็นำไปทสำสมทานํำระจิตใจ ให้จิตใจมั่นคงในคุณงามความดีคของตนนะเองบางครั้งศึกษาสมัยก็มีแฉะต่างประเทศต่างเมืองไปศึกษาศึกษาโฆษณาเรื่องข้อประพฤติปฏิบัตินี้ส่วนพะเนรหกจิตเจ็ดจิตคงจิตนี้ก็รับอุปถัมประสาจากชาวบ้าน การยินสบาตรครบขันเพียงผีดไม่ลาบากตอนชตอเช้าก็เที่ยวยิสบาตตามชาวบา้านชาวบา้านจะให้อาหารยิสบาต ท, ทุกโลูกจนพอขันไม่ลําบาแบกแด้เป็นโอกาสให้ญาติโยมทั้งหลายนั้น ป, ปฏิบัติไม่ให้เห็นแก่ตัวแก่ตนทำปฏิบัติอย่าง เป็นประจำเสื่อนพระสิกสุสามเณีนก็ประพฤติธรรมดีในที่เราเรียนมานั้นไม่เคยเรีย่ยงเฉยมาปฏิบัติให้รู้ให้เห็นแนะนําสสอนให้ตั้งอยู่ในข้อวัดปฏิบัติของพระเจ้าพระสงฆ์การยินตบาทและสันยินตบาทก็มีการสันยินตบบาทมือเดียวขันในบาทไม่ไขันนอกบาท มีอาหารทุกสิ่งสารพัดอย่างก็รวมรงในบาตรได้รู้จักประมาณพออินไม่ให้มากไม่ให้น้อยอย่างนี้ทุกองทุกวันด้วยตอนเย็นก็ลงตวดมนตามประเพณีของชาวพุทธตรวดมลเสร็จแล้วก็นั่งกรรมาฐานประมาณ ต่้งโมงคึ้นถึงสองสมโมงนอกกนั้นจะอบรมคอวัดปฏิบัติพระธรรมในใ น, นเพื่อให้รู้แจ้งเห็นจรในธรรมที่ควรรู้ความเห็นการปฏิบัติของพระวัดของสระบงนั้นมีหลายประการประชาชนทั้งหลายที่จะไปบวชในที่นั้นจะต้องให้เป็ น, นากอยู่ประมาณเดือนหรือสองเดือนหนุ่มขาว ขอสมควรแล่ประวัติเป็นสามเณรห้เป็นสามเณรมีศักด์รรษาหรืุสองพรรษาเพื่อให้รู้ข้อวัดปฏิบัติเสียก่อนแล่จึงควรจะบวชเป็นพระที่สุในพุทธศาสนาอย่างนี้เป็นข้อขัิตาในทีวัดที่วัดในหะนองตะหงนั้นสอนไม่เห็นแก่ตัวเช่นปัดใจสีทั้งหลาย ที่ญาติโยมถวายมาในทางศิษยาภิษฐ์ทั้งหลายนั้นไม่เป็นของบุคคลเป็นของส่วนรวมส่วนรระเนนที่ไปอาศัยนั้นก็ให้ใช้เฉพาะพอดีพอดีเท่านั้นไม่เว้นเกี่ยตัวมากเป็นคนมากน้อยเป็นคนสันโดษยินดีตามมีตามได้ในอกสรภาพทีงเกิดขึ้นมา จะตองรู้เรื่องยอมชาวพุทธในเมืองไทยทุกวันนี้เป็นอย่างไรในการปฏิบัติพุทธศาสนาสนะแต่ว่ายมจะได้ยินว่าสมัยนี้คนไทยเพิมากก็ถือว่าถ้าจะปฏิบัติเป็นหัวเป็นพะและรก็มองให้เป็นภาระเป็นนาที่ของพระเล่านั้นแต่ได้เป็นที่ยมทำเท่านั้นคือถวายทานรมี ค, น ค, คอนเคยได้ยนว่าคนไทยเพิ่มมากก็คืออย่างนั้น อาสยามเซร์ลูนะอาซึ่งวันนี้ในเมืองไทยนคนไทยมีชัดคาปฏิบัติทางปฏิบัตินะเรืองมีทำเป็นปเทศในเรื่องอาเห็นว่านาทีของเขาเองคือถวายทานแคนั้ น, นอาปฏิบัติแบนี้อาอันนี้เป็นบางส่วนอาอันนี้จะเป็นบางส่วนโดยมากในเมืองไทยนี้ เ็เรียกว่าเขาปฏิบัติโดยมากเพื่อเอาสวรรค์กันไปโดยมากโดยมากอยากจะมีการให้ทานอุปถัมภ์พระให้ทานแ่มันจะเสื่อมไปบ้างมันจะเกิดมีสิ่งดีดีจองมากขึ้นถุกวันนี้จินๆินั้นแต่ก็ยังมีบุคคลส่วนหนึ่ง ย, ยังยั่งยินยั่งในครอบปฏิบัติจริงๆอันนี้พอมากเหมือนกันแต่ว่าโดยมากคนไทยนั่นจะมีความรู้ในทางพุทธศาสนาอืมเพื่อเฉในการปฏิบัติสมฐานจริงจังนั้นน้อยที่สุดน้อยที่สุดแต่ก็ในการประพฤติปฏิบัตินี้ เขาเห็นว่านักบวชคือพระนี้เป็นผู้ปฏิบัติโดยตรงญาติลยมเป็นผู้อุปสมบทาช่วยเครือภูนบำเพ็ผู้ประพฤติปฏิบัติอย่างนี้โดยมากในวันพระมียมงบายวัดมีคอยอมยองขึ้นบายวัดในวันพระเยอะมากบายวัดเพื่อจะปฏิบัติเป็นผู่บายทากิจานเลื่องบายวัดเพื่อเป็นประเพีของคนไทยที่จะ ในวัดทวายทานตอนเท็จในวัดนั้นเป็นอย่างไรเป็นบางคนบางคนที่มีปัญญาชอบปฏิบัติเพื่อจะให้ไปปฏิภาณต่อคนทุกข์ผู้ขยัใจในธรรมะในพุทธศาสนาดีแล้วบางคนก็ปฏิบัติไปเพื่อเอาบุญกันเอาหาความสุขกันมันมีคนสองจำพวกอันนี้มีคนสองจำพวก เพาความเปจริงนั้นก็เขาอยากจะพ้นทุกข์ถึงพรนิพพานเหมือนต่าแต่คนที่มีปัญญาก็มุ่งไปถึงพร น, นิพพานปฏิบัติดังคนก็ไม่รู้ว่าพระนิพพานเป็นยังไงก็ปฏิบัติไปตามเพื่อนอย่างนั้นก็มีเหมืนกันมันก็ไม่แปร ก, กันกับนักศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย ครูก็จะสอนให้ขยันมาเรียนสอนให้ประพฤติปฏิบัติ ด, ดีทั้งนั้นแต่นักเรียนก็อยากจะดีทั้งนั้นแต่โดยมากไม่มีใครจะเอาใจใส่ในการเรียนในการปฏิบัติ บ, ตบางกลุ่มเป็นอย่างนั้นบางกลุก็เอาใจใส่ประพฤติปฏิบัติตามให้รู้เรื่วมตามความประสงค์ของตนดีงจะได้เป็นอยู่อย่างนี้โลกเป็นอย่างนี้เชาวคุณแค่ทีแค่เพียงคือภรคพิสูจหรือรอะไรก็เป็นอย่างไร ชาพุทธอย่างแท้จรเป็นยังไงชาพุทธอย่างแท้จริงก็คือเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจา้าจะเป็นพระก็ตามจะเป็นขี้หัดอย่างนั้นก็ตามมีความมุ่งหมายที่จะประพฤติตามคําสอนของพระพุทธเจา้าโดยตรงไปตรงมาแล้วออนั่นเรียก ว, ว่าชาพุทธไอ้พวกที่เรียว่าชาพุทธแต่ไม่ทำตามคําสอนของพระพุทธเจา้านั้น ก็ไม่ใช่เป็นชาวพุทธเป็นชาวพุทธแต่งใชื่อเยอๆเยอะเหมืัถ้า อ, อยู่ที่วัดตนปฏิบัติอย่างไรนัสม า, มาม่นานอะไรเ่อเกปฏิบัติเย่สมาน่มปฏิบัติแต่อย่างไนีไหมอนปฏิบัติมรั้อกนไห คือีการปฏิบัติมันบานงชางจะมารวมเป็นกลุ่มยี่สบองศารี่เจ็นต็มอันนี้จะเป็นเพียงเรื่องแคสิคนใหม่ๆยังไม่รู้วิธีการจะมารวมกันเป็นกล่หญนีเป็นหนึ่งที่นี่กยกกันแล้วให อ, yeah, yeah, อา I, o, ทำเป็เสี่ยงตัวจะทาเวลาไหลนก็จะได้แตการเส่ยตัวอืมเคื่องใชเวลามามเป็นกลุ่มัน จ, จะเป็นกุเมื่อริ่ต้นแล้วจะทเสี่ยงตัวทำอย่างนี้วิธีทำของวัดของปนะ่าของน้องคือให้็นคนกินน้อย็นคนกินน้อยจนคนนอนน้อย็นคนยินดีในของที่มีอยู่ยินดี จะตจามมีตามได้ไม hmm. oh, yeah. yeah. ่ให ja ้ว yeah. yeah. ุ่นวายอืมคือการปฏิบัติเองเชื่อเองจะสงสารปฏิบัิหและวิธีการสตนปฏิบัตองนนี้เป็นเป็นเป็นี่ยงรุตกรที่ปฏิบัติเอนั้นเมืจากนั้นตาเม่อไดูแลให้มีผลจะให้โอกาสออสุดเดงความที่เราไปสุดงนี้จะมีบามีจีวรออกไป เต็นโะองสององใส่ตาตา่ามป้เขาไปอยู่ตามป่าท่าอีูตามปาไม้อยู่ตามปูเขาข้าง น, นั้นนกรเพื่อจะมาจิอ่อศึกษาตามธรราติสอนใหรักษาธรรมชาติสอนใน้รู้ของธรรมาติาและบ า, า, าดีธรรมชาติแม่ธรรมดเวนี้เจ้จิตของเรา เมล็ดของเราไปโฆษณาชาติแล้วมีความอยู่สยดยิงไรเชลนไม้จิณธาตุหญ้ามันเหมือนกับเรากนะ็ไใบที่เรีอย่างนี้ให้ปัญญาตัวอ้าปฏิบัติในวัดน้นกระทนั้นเมื่อระดีแล้วไม่มีผลก็ใหอ้ออกออกเ่ียวจุด มีบาทมีจีวร อ, ออกเที่ยวเองไปอยู่ตามป่าช้าตาูเขาตามป่ารันที่ไหนสงเนี่นันเพื่อจะไดัติธอันนี้ให้ทับเยี่ยขึ้นสอนในรักธรรมชาติสอในใดูธรรมชาติให้ธรรมชาติจริงจิงจี่ศึกษาเหนรรธรรมพาต ม, ม, มันเกิดขึ้นแล้วมันจะทรงอยู่ แล้วมันก็นบาดไ่ในธรรมชาติเช่นนัน้หยุดที่เสนอไปเรื่อยสิเหียงว่ามนุษย์เ ร, ร, เ ร, น, รนี่ถึงนั้นน้งมีจารเกิดขึ้นแล้วและประสงตัวกันอยู่เ ร, เนนร ม, เเม่ก็ระบาดไปอย่างนั้นอันนี้เพราะว่าตัวมันมีจังกระถางอานาจางานนั้นหยุดระ บ, บาดขึ้นโดยมากพระสมถานพระสงฆ์ยุนานีนโดยมากแม้ได้ศึกษาตามหนังสือ ไม่ไ ม, ไม่บทเรียนตามหนังสือเลยนะเรียนอาการที่เขาเขียนในจิตนี่ฮนะจริงจริอย่างก็เขียนว่าอันนั้นเป็นงาแม่รู้ว่าชื่อมันจะเขยจั่เดินไปดูมากจริงๆรงิอันนั้นเขาว่าเสือตามเสือนั้นสือเพราะกระดิ่ง น, นี้สองศึกษาจั่งเดินไปดูตัวเสือจริงจริง อ่นหนังสนกทุกข <de mimic opy grinding applications> ์ถ้าพี่น่าจะอานุกขจกีเอารอทุกข์กเมื่อเรจุกขแล้วมันจะเน้สร้างความทุกขขึ้นมาครับถ้าจะอ่านตามนังสือเห็นว่าทุกข์แต่ใจมันไม่ทุกข์มุ่งมันใรืองเทุกข์ถ้าจะด้วามีสร้งหรือเเห็นเทุกข์เมื่อเนงทกข์กระเสริฐมันเห็น์คือมีเรื่องทุกข์นะคือาตามหนังสือนี้เดยมากเมื่ถึงใจเห็นอยาเป็นทุกข์ ตอนนี death, offers, tipo, no ้เด no no um ็ก uh ับ huh. ต <pal> <idade> ัวเห็นไหมที่ตอน้เดจับตัวที่ถ้ามมถามนี่คือจับยังไงคือับว่าอันนั้นมันผิดผิดเหนียเอะเทางความผิดทางกายทางใจต่อวันนั้นต่อไปแล้วนี่เรียกวาจาิอ่าเยนี้ความผิดนี่ทุกเรืองอะไนี่ยถ้าเราเรื่องทกเรื่องเาได้ควอ่ เราจะเรียนควาทุกเป็นอย่างไรมิใช่หรือถ้าเราเป็นแทราทนั้นมิทุกอย่างรใคทุกเป็นอย่างถา็นไมรู้ักอันนี้มันมีอยู่นทุกมีอยู่แล้วเราจะไปถาประเด็นมันรู้ตัวราไปยังไม่รู้ว่าทุกเป็นยางไรมีทุกอยู่ัยังไมรู้แต่ว่าทุกเป็นยงไันนี้ เป็นป sa ัญหาที่จะต้องถามในใจของ่ของเทุกขอยูแล้วแล้วในทาารปฏิบัติรเจกรุจาอธิบายในความทุกข์เป็นอย่างนี้เนอ่างนี้แล้วอธิบายว่าเป็นให้ป็นทุกขเป็นอย่างนี้เอย่างน้นใช่เนื้อนือจะจะทุนกระของเราถ้าเรายกขึ้น ชาติออท่ทุกข์เหนือนเนผลอย่างนี้เหนือจิตนนผลอย่างนี้อะไรจเป็นเป็นทุกข์เพราะตาหน้ามีนักะ่าวใครไม่รู้ตาหน้ามีตามเป็นจริงวราตาหน้ามีของมันแตกเมื่อมันแตกแล้วมันเป็นทุกข์พอระปบิดทุกข์เเพราะเราระเบิดในนี้ว่าเป็นของเราเราเข้าใจว่านี่เป็นของเรานี่เราเป็นเจ้าของ เนี่ยเน่ตาน่ามันแตกไปใครทุกเราทุกที่ตาน่ามันทุกเราเป็นอะไร่เดจากบูริัทธ์ัทธ์อะไรก t นเป็นผิดผูกผัสไะทธอขัดขััทธ์ในผัสไ้เนี่ยอยรงนี้มันทุกข์ดนี้ดับทุกข์ดับตรงนี้ เหตุนี้อุกในใจมีคือผลอันนั้นกป็นเหเหตุตงนั้นผลเหตุตรงนี้ดังนั้นเจ้พุทธเจ้าท่านจึงให้หยึดมันม่นถือมั่นว่าเป็นของจริงจังทางเจ้าของและทางขอ ง, ขอ ง, ของเท่าไ้เด็กพุทธเจ้าน้ำมันตางจกับตาชนะเอื่อพราะมีคาสอนเรืองอนัตตานะี่ยไม่รูตัวมันมีชนก็ยอมอย่อยเื่อรมีอ น, นัตตานี่ย มีความหมายอะไรเพ่าว่าถ้าเราทำอะไรนาะทีของเราเราทำงานเราทำอะไรใครเป็นคนทมอะไรเป็นคนทำาน้าอะไรเป็นคนคี่อะไรเป็นคนกิเข้าวอะไรอย่านั้นถ้าไม่ถ้าแะไรั่ไม่มีเรื่องนั้นเป็นอะไรเป็ น, นสืสร้างเลย อ, อะไรเป็นสื่อทำงานอะไรเป็นสื่ออะไรเล ย, เยที่นี่ตัวตนนี่อัตตาอนัตตนี่เป็นเป็นคำอธิบายยากมาก คอยคอยสังเกตนาในอนัตตานี่อนัตตานี้เป็นเรื่องมีผลมากเป็นเรื่องสร้างคนเหะเดชได้ดีนากอ น, านัตตาทำงานสบายมากทำอะไรสบายมากอ น, านัตตาอนัตตานี้มันเป็นสับว์ที่อยูเหนือโลกเป็นสับที่่เหนือโลกโลกฟังไม่ออก เพราะเป็นศัพรขุตศัพทเป็นสัพทเหนือโลกฉะนั้นการจะรู้อนัตตานี้จะรู้จะต้องรู้เรื่องการปฏิบัติถ้าเราไปคิดอนัตตานี้จะเสื่อมสีสามันจะแตดอนัตตานี้เป็นสัพท์ตเหนือโลกถ้าวันนี้เนี่ยพวกที่ฟังก็คงไม่เข้าใจจึง้งแต่ว่าเข้าใจพอแล้วล ว่าอนัตตานีมันจะไม่พอใจเพราะคนอื่นพูดในฟั น, น, นออ เ, เนี่ยอ่ะอนัตตาอยู่ตรงนี้อัตตาอยู่ตรงนี้มเห็นอัตตาม่ติู่จต้องเอแบบนี้เป็นอนัตตาความไม่รู้ตามเป็นจริงแล้วิอยู่อย่างนี้นืดอยู่มองไม่เห็นใบล่างแต่ไปดูนเนี่ยใบทางล่างดูวันมันมีม เพราะอะไรเพราะอันนี้มันติดอยู่นี่แก้วเปลือกแนี่ออกนี่แกอยู่ใบหนึ่งทั้งนั้นถ้าอันนี้สิดูแ ล, แล้วมองดูนี่มาดิเราก็ไม่คอยใจเรามีแจ้วอะไรข้างล่างเพราความม่รู้ว่าสิดอยู่ข้บนนี้ถ้าเราคือปฏิบัติตามจริงสัญญาตัวเอแล้วมัจะเหมือัวเองเดียวจะเสองสองอย่างนี่เป็นอนัตตานี่เป็นอัตตานี่เป็นอนัตตา อย่างนี้อนัาตานั้นนั่นจะเป็นอนัตตาอยู่อนัตตาอยู่แต่หัตตามันติดอยู่ถ้าโยมเห็นอนัตตาแล้วอยูกใจในทุกจะมีความสุขก็ในหลวงจะมีควทุกข์ก็ไม่ลว ง, งจะได้ขอมาก็นดีใจขอหน้าจะหายไปเป็นรทุกในเสใจ อันนี้เรามันเห็นว่นัาตานี้แบบนี่สุดทุกอาร์เปนสุดก็สุอารมณ์เป็นทุกข์กนี่เพราะมานเป็นแบนี้เพราเราว่าอน้าตานี้ไม่ใช่ตัวตนเราไม่มีตัวตนเราแต่เราไปจับอน้าตามาใช่ตัวตนเราถ้าเราตัวตนเราทนี้ไม่ให้มันเกิดได้ไหมไม่ให้มันแก่ได้ไหมไม่ให้มันตายได้ไหมไม่ได้ามันไม่ได้มันก็ไัดใช่ตัวสิ ้าติาเป็นอย่างนี้ญาติเอย่างนั้นอ้เ่ออยู่อย่างนี้ไม่ต้องอยู่ที่ประตูส่วงเราอันนี้นนเราอยากแกนะมัต้องแ